เรื่องที่ห้าอาจารย์เซนปราบผีนานมาแล้วในประเทศจีนสมัยก่อนสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึง่งรักกันมากบังเอิญทางฝ่ายภรรยาล้มป่วยหนักขณะใกล้จะตาย ภรรยาได้ยึดมือสามีไว้แน่นพรำรำพันความรักที่นางมีต่อสามีเหลือล้นสารภาพว่าไม่อยากจะจากพรากไปเลยนางขอร้องให้สามีอย่าได้ไปเป็นของใครอื่นหากสามีไปมีอะไรกับหญิงใดแล้วนางจะเป็นผีกลับมารบ ก, กวนทำพิษเล่นนานไม่หยุด ายสามีเมื่อภรรยาตายไปได้จัดการศพเป็นที่เรียบร้อยตนก็ยังมั่นพักดีต่อความปรารถนาของผู้ตายไม่คิดที่จะมีย่อมีเรือนใหม่เหตุการณ์ทั้งหลายแหล่เป็นไปได้อย่างปกติในระยะสามเดือนแรกต่อจากนั้นชายคนนี้ก็ไปพบรักเข้ากับหญิงอีกคนหนึ่ง ถึงกับจัดการมั่นเพื่อจะแต่งงานกันเมื่อเหตุการณ์เป็นไปในรูปนี้ในเวลากลางคืนไม่เว้นแต่ละคืนก็ปรากฏว่ามีผีภรยาที่ตายไปมาหลอกชายคนนั้นแต่เพราะต่อว่าครูเข็นในการที่เขาไม่รักษาคำมั่นสัญญา ชายคนนั้นหมดหนทางที่จะไปแก้ตัวโตวเถียงชี้แจงเหตุผลอย่างไรพูดตายเมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ทราบว่าหล่อนไม่ใช่เป็นคนฉลาดหลักแหลมอะไรเขาเสียอีกเป็นช้างเท้าหน้าคอยนำให้ฝ่ายหญิงคิดอ่านในเรื่องต่างๆแต่เมื่อตอนเป็นผีกลับมานี้ทำไมถึงได้ฉลาด ไว้พริบทุกสิ่งทุกอย่างจนเขาเองก็จำนนมืดไปทุกดางพูดบายเบียงแก้ตัวไปอย่างไรผีก็รู้ทันเขาหมดแม้วันใดเขาได้ไปติดต่อทำอะไรพูดอะไรซื้ออะไรให้หญิงคนรักซึ่งเขาเชื่อว่าไม่มีทางแร่งพรายให้ใครรู้ตกกลางคืนผีก็ลวงรู้ เ็เอามาต่อว่าได้ละเอียดละอพูดทักทวนถามบอกได้ถูกต้องทุกสิ่งไปผีภรรยาของเขาไล่เบีย้ยกระทั่งเขาต้องยอมรับว่าไปที่นั่นได้ทำอะไรพูดว่าเช่นนั้นเช่นนี้เป็นอยู่อย่างนี้คืนแล้วคืนเล่าเขาเลยกินไม่ได้นอนไม่หลั ร่างกายก็สู่ผอมเศร้าส้อยเรื่องรู้ถึงใครต่อใครเขาก็พากันมารุมล้อมปลอบโยนไม่มีช่องทางที่ใครจะช่วยได้แม้เวลากลางคืนจะแห่กันมานอนเป็นเพื่อนหลายๆคนก็มิอาจช่วยเขาพ้นจากผีภรยาเก่าของเขาได้เขามีแต่จะสุดโ่งทั้งกายทั้งใจ เมื่อญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงช่วยอะไรไม่ได้ก็เกิดมีความคิดกันขึ้นว่าชายคนนั้นควรจะไปปรึกษาเรื่องนี้กับพระดูเพราะไกลๆหมู่บ้านนั้นมีอาจารย์เซนองค์หนึ่งพำนักอยู่ชายผู้น่าสงสารคนนั้นทีแรกก็อิดออดละอายที่จะนำเรื่องอย่างนี้ไปเล่าให้พระท่านฟัง ช่งใจรวนเรอยู่นานในที่สุดตนเองจะพานตายเอาจริงๆจึงยอมปีนขึ้นเขาไปกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบทุกสิ่งทุกอย่างโดยละเอียดเพื่อท่านจะช่วยได้ท่านอาจารย์นั่งนิ่งรับฟังเรื่องราวทั้งหลายด้วยความกรุณาเห็นอกเห็นใจทั้งๆ ท, ที่ท่านรู้อยู่เต็มอกว่า นั่นมันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นผีสำหรับเขาผู้น่าสงสารคนนั้นครั้นท่านจะชี้แจงอธิบายแก่ความคลาดเคลื่อนของประสาทรู้สึกและกลไกลแห่งจิตใจของเขาขณะนั้นก็ไม่มีหวังที่จะเปลี่ยนใจให้เขามาเชื่อสนิทได้เพราะตัวเขาเองยืนยันเองว่า พบผีและพูดกับผีด้วยตนเองใครจะมาบอกว่าไม่ใช่ผีเขาต้องไม่เชื่อท่านอาจารย์เลยต้องผสมโรงกล่าวทวนเน้นให้เขาแน่ใจว่าอาจารย์ก็เชื่อว่ามีผีเหมือนกันโอโอผีเมียของเจ้านี้ช่างรู้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเจ้าจะทําจะพูดจะคิดอะไร มันก็แอบลวงรู้ได้หมดแหมช่างเป็นผีที่แสนฉลาดเหลือกเกินนะเจ้าควรจะภาคภูมิยินดีผีเมียของเจา้าทีนี้ถ้ามันมาอีกให้ลองทายปัญหามันดูบอกมันว่ามันรู้อะไรได้เจนจบสุดสามารถที่เจ้าเองจะซ่อนเร้นเรื่องอะไรต่อไปได้ แต่ถ้าหากผีตอบปัญหาอันนี้ได้เจ้าจะเป็นคนยอมถอนมั่นหญิงคู่รักและจะอยู่เป็นโสดไปอย่างเนี้ยหลวงพ่อจะให้กระผมถามปัญหาว่าอย่างไรครับชายหนุ่มถามขึ้นทันทีโดยใจอยากรู้เร็วๆท่านอาจารย์แนะนำว่าให้เจ้าจัดหาเมล็ดถั่วเหลืองไว้กอบมือใหญ่ๆ เอาไว้ให้ผีถ่ายถ้ายว่าถัวทั้งหมดมีกี่เมล็ดหากผีบอกไม่ได้เจ้าจะได้รู้เสียทีว่าผีตามที่เจ้ารู้เห็นนั้นมันคืออะไรเมื่อประจักษ์แก่ใจเจ้าแล้วผีจะไม่มาแพร่ผานอีกชายคนนั้นลาจากไปพร้อมด้วยคำแนะนำของท่านอาจารย์ แม้จะยังไม่เข้าใจเหตุผลกระจางนักในขณะนั้นพอตกกลางคืนคืนนั้นผีมาชายคนนั้นก็กล่าวยกย่องนำขึ้นก่อนเหมือนอาจารย์ได้แนบไว้ว่าช่างเป็นผีฉลาดรู้อะไรไปทุกอย่างเก่งเหลือเกินผีก็รับขึ้นมาว่าแน่ละสิ วันนี้พี่ไปหาท่านอาจารย์บนเขาโน้นฉันก็ยังรู้ชายคนนั้นจึงเริ่มตามแผนที่อาจารย์บอกเธอรู้มากไปถึงขนาดนั้นเชียวดีละถ้าอย่างนั้นบอกมาสิถั่วในมือนี้มีกี่เมล็ดผลในที่สุด ชายผู้น่าสงสารก็ทราบว่าอะไรคืออะไรเพราะผีตามความรู้เห็นของเขานั้นตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้ก็เพราะตัวเขาเองก็ยังไม่ได้นับว่าทัวที่เขากอบกรรมอยู่นั้นมีกี่เมล็ดเป็นทางให้เขาจับได้ว่าท่านอาจารย์เซนองค์นั้นได้ช่วยให้เขาพบความลี้ลับภายในตัวของเขาเอง ท่านอาจารย์ได้ปราบผีลงได้โดยไม่ต้องไปปราบที่ไหนแต่ปราบโดยทำให้เขารู้แจ้งขึ้นถึงความจริงก็แล้วกันผีก็ไม่มีไปเองนิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้เราท่านจะเห็นได้ว่าธรรมดาผู้รู้นั้น หากเป็นผู้รู้สูงถึงที่สุดแล้วท่านย่อมทราบอาการยึดติดของผู้ไงผลทั้งฉลาดที่จะแก้ไขให้โดยไม่จำเป็นต้องให้เจ้าตัวรู้ว่าที่ท่านใช้ให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นั้นมีเหตุผลอย่างไรถ้าสิทธิคนนั้นอาจารย์รู้จักดีสามารถบอกทางแก้ให้ถูกจุดแล้วและสิทธิก็ไปทำตามนั้นจริง ผลมันจะเกิดขึ้นเองอย่างเรื่องปราผีนี้ที่แท้ผีในเรื่องนี้ชายคนนี้สร้างขึ้นเองในส่วนลึกของความสับสนทางใจอันเกิดจากการเสียของรักระบบประสาทและการรายงานภาพต่อความคิดกลับกันหรือซ้อนกันจึงดูเป็นเหมือนว่ามีใครอีกฝ่ายหนึ่ง มายืนพูดยืนคุยต่อปากต่อคำความเคลื่อนคลาดในกลไกลทางจิตของคนเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนที่มีสภาพทางกายทางจิตอะไรๆเหมือนชายในนิทานนี้และจะเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่สภาพการชายผู้ที่ภรรยาได้ตายไปคนนี้ เป็นอุทาหรณ์เรื่องทํานองนี้ได้อย่างดีแม้จะมีใครต่อใครแหกันมานอนเป็นเพื่อนคนอื่นก็ไม่เห็นผีแต่ผีจะปรากฏต่อผู้ถูกผีหลอกเท่านั้นในท้องเรื่องแสดงว่าชายคนนี้รักภรรยามากแม้หลังจากทำศพแล้วไปทำอะไรที่ตนเองก็รู้ว่าเป็นการนอกใจคนตายที่สั่งไว้ ใจตัวเองก็ย้อนระลึกซ้อนเข้ารู้สึกอีกทีหนึ่งทุกครั้งไปนานเข้าอาการอย่างนี้ก็เด่นชัดหลอนให้รู้สึกทางสัมผัสทั้งห้าเหมือนรูปรสกลิ่นเสียงจริงๆพอถึงตอนนี้สุดที่จะมีใครมาให้เหตุผลลบล้างได้เพราะคนเราทุกคน ได้หัดเชื่อประสาทรายงานของตัวมาเสียจนเคยชินแต่ดั้งเดิมแล้วอาจารย์เซนผู้รู้เรื่องภาพลวงนี้จึงไม่ใช้วิธีอธิบายแต่ใช้วิธีดักให้ไปตกหลุมความเหลงเจิ่งแห่งความคิดปรุงแต่งของตนเองเมื่อเจ้าตัวเขาได้สำนึกก็จะจับได้ว่านี่มันคือผีสำหรับเขาคนเดียว ดูเอาเถิดท่านทั้งหลายอาจารย์เซนนั้นมิใช่จะใช้แบบฉบับของเซนช่วยให้คนหลุดพ้นชั้นสูงสุดเท่านั้นท่านยังเอาอุบายวิธีอย่างเดียวกับการทำพระนิพพานให้แจง้งมาใช้กับกรณีที่ถูกอุปทานความยึดติดหลอกหลอนในรูปเสียงกลิ่นรสที่คลาดออกจากสภาพระดับคนสามัญ ให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนอย่างเขาทั้งหลายได้อีกด้วยโดยบอกให้ไปตกหลุมกลนที่ทันดักไว้เพื่อจะได้ขยเยาปัญญาให้เจิดจ้าทำลายโมหะไปได้เองตามปกติอาจารย์เซนมักโปรดสัตว์ให้คนธรรมดาสามัญสูงขึ้นมาจากระดับทั่วไปแต่ในนิทานนี้อาจารย์เซน โปรดคนที่คลากต่ำกว่าระดับปกติมาเป็นคนธรรมดาสามัญมันแปลกกันตรงนี้แต่ก็ใช้อุบายอย่างเดียวกันจากนิทานผีผีเรื่องนี้ทำให้เราพลอยได้ความรู้ว่าบุคคลที่มีฝ้าในดวงตา ตกอยู่ท่ามกลางความลวงอันเกิดจากตัวเองเที่ยวไปยึดมัน่นถือมั่นผิดนั้นถ้าเรารักจะช่วยให้เขาหายมืดหายหลงจะไปชี้แจงแสดงเหตุผลตามเป็นจริงไม่ได้หรอกเขาย่อมมองเห็นไม่ได้ถึงแม้พยายามว่ามองเห็นเพราะเชื่อตามผู้พูดนั่นก็ม่ได้ขจัดความมืดในหัวใจของเขาไปได้ หากอาจารย์ผู้ฉลาดเจนจบจริง ย, ย่อมต้องใช้อุปทานของเขานั้นเองแต่เสริมเพิ่มให้เป็นไปเพื่อทายถอนก็จะขจัดยกเลิกอุปทานเดิมๆที่ยังดิบๆอยู่นั้นเสียได้